ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับผู้ร่วมจัดทาเพิ่มเติมอีกดังนี้อัศวินอารัตเทียนงามชัยเชษสุขุมการชนะพจนาสำนักโนดรัตนนพุ่มพวงครอบครัวสิริวัตรครอบครัวนิติสรวุฒปัญญาโกจันนาตยาสีโพกัญยนั์ทองบุญนภาพรปัญญารัตนคุณากจนพเคลือบบุญมายุรีและวรวิทยาพินโยครอบครัวสินสมบัติอังคณามนทาทิกุล นภัชชาทวินกระมนลพัดศิกตาสีบุญชูและอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปนะครับสภัทานังธรรมะานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง